ร้อย ل ه มฟ ي ه ا زفير وهم فيها لا ي س า ع و ن หนึ่งรอยถึงหนึ่งร้ยสหาอายะยาวมนาทวิษมาอัตอยิซิิลลิลกุดุ الذي ู้ฟี่รู้ว่ามีเธอไม่ได้ยินเสียง ولهك عنها مبعدون لا يسمعون حسيتها س وهم في مشتهت أنفسهم خالدون, وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. و ت ت ل ق م الملائكة. و تتلاقهم الملائكة. هذا يوم ك م الذي كنتم تعدون يوم نطق السماء يوم نطق السماء كطيب جل ل ل ك ت ب كطيب جل ل ل ك ت ب كما بدأنا. ท่ามาบดัยนั้ว ا ลขัَค ا นูไยดุวَดนั้ลย ن ัِ้ัดนั้ ا ินทร ا ل ل ลฮัม د ุล و ลลาฮ์ ن ะฮ์มัตุฮฺ و ์ ن ะนัสต ع าอ ن นุฮฺว ن น س สตักฟิรฺวะน้าอ ل ซฺบิ ي ลาฮฺ ل มินชุรุริอัมฟุสินะฺวะมินไซ و ะติอัมมัลินะฺมัยฮ์ดิห์ลลาหฺฺฟลามุดิลลลาหฺฺวะมัยยูดลล ا ل l a, a, a h um u m m a bika asbahna و bika amsayna و bika nahiya و bika namuto wa yalaikan nushur أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء و و ا ل س م ي العليم ر ي ت بالله رب و بالإسلام دين ب ะบิมูฮัมห ل ัดอิร ل ูล ا ل ัลลอฮุมะอิน ب ีอาอูดุบิกะ ي ا นักสลีวัสูอ في ا ิ ن ร ر รับบ์อาอูดุบิก ل มินอาดับม ب ฟินนาร์ว่าดับม์ฟินลับ ف ีอัลลอฮุมะฟิ ل ีฟ م นบดเนีว่าฟินีฟิน <c oughs> <c oughs> พี่น้องที่ร่วมน้ำมาสุบะในเดือนอรรัมบอนที่รักทั้งหลายับอรลฮัมจุลิลละก่อนอื่นพี่น้องทุกคนจะต้องน้อมดำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวาตาลด้วยหัวใจาที่นอบน้อมและก็ถ่อมตนขอบคุณอัลลอฮนะที่เดือนอรรมบอนวันนี้ผ่านมากี่วันแล้วเนี่ยสิสิบแปดละ ทำดูดีเลยผ่านวัยมากนะทำดูดีลเพราะบาระกะขอบคุณอัลลอสุบฮานาฮูวาตาลาที่เราได้ใช้เดือนอรรมดอนเนี่ยให้เป็นประโยชน์เดือนอรรมดอนมีชื่อตั้งแปดชื่อด้วยกันนะครับชารุสซบริเดือนในการอดทนชารุลกุรอานเดือนในการอ่านกรุรอาน ชาห์รุลอาฟีเดือนแห่งการให้อภัยชาห์รุลมักฟิรัดเดือนแห่งการขอการอภัยโทษจากอัลลอฮฺชาห์รุลชาห์รุลซอตอกอเดือนแห่งการบริจาคทำบุญอัลลอฮฺมีตั้งแปดระชื่อดอ้วยกันเพราะนั้นเราต้องทำให้มันครบนะครับขอบคุณอัลลอฮุบ ب า ا ن ه ูวะ ت ع าลาที่เราได้ ทบทวนอัลกุรอาสนสม่ำเสมออาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับหลังนมาสุบโบของวันอาทิตย์ทุกวันนะครับทาติดต่อกันมาเนี่ยยี่สิบเอ็ดปีแล้ว <c oughs> ก่อนที่จะอธิบายเรื่องเนี่ยวันนี้กูอ่านห้าอายะที่กอรีนะฮาฟิสอิมรอนเนี่ยได้อ่านให้พี่น้องฟังแล้วก็อ่านตามกันเนี่ย วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องนรกกับสวรรค์เรื่องนรกกับสวรรค์ที่อัลลอฮ์ได้เล่าเรื่องของนรกและสวรรค์และคนที่อยู่ในนรกและคนที่อยู่ในสวนสวรรค์มันเรื่องจริงทั้งหมดแล้วมันโลกดุลยาไปนี้ก็จะเดินตามอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้วางกฎเอาไว้นะครับเดินตามกุรอานเป๊ะเลยนะ จนที่ก่อนจะอธิบายเนี่ยได้อ่านฮะดีสพบอยาจะให้ท่านพี่น้องได้รับความรู้เรื่องนำเอาไปปฏิบัตินะครับวิธีปกป้อง <c oughs> พี่น้องต้องต้องเขียนแล้วนะวิธีปกป้องหรือว่าหาโล่ป้องกันการลงโทษที่กูบุร์ที่สุสานพราะทุกคนต้องตายหรกุลี นับเซนจาเอกาตุลเมาท์ทุกชีวิตจะต้องชิมรสแห่งความตายเมื่อเมื่อทุกคนต้องตายพี่น้องก็ต้องเตรียมตัวท่านหญิงอชิชานะครับท่านหญิงอิชาได้ถามท่านนาบีบอกว่าตูปตาจะจะถูกลงโทษไหมจะถูกทรมานไหมจะถูก ในภาษาอุดุวะอาสมาอิชถูกทรมานถูกลงโทษในกูโบไหมท่านนาบีก็บอกว่ามีมีการลงโทษแน่นอนเป็นเรื่องจริงเลยครับคนที่นอนอยู่ในกูโบนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยนอนสบายนอนครั้งเดียวแล้วก็ตื่นขึ้นในโลกอาคิรอดเลยบางคนเนี่ยนอนแล้วก็เห็นภาพของชาวของของนรก นอนบนที่นอนร้อนๆใส่เสื้อผ้าร้อนๆแล้วก็ถูกทรมานจนกว่าจะฟื้นมีทั้งหมดสิบภาพด้วยกันนะครับเี๋วนี้วิธีป้องกันที่จะไม่ให้ถูกลงโทษในกูโบนี่มีทั้งหมดสิบสองรายการนะครับก็ฟังไว้ก่อนก็ได้นะ <c oughs> ทั้งหมดเป็นหะ ด, ดีสทั้งหมด ทั้งหมดเป็นฮัตติหมดเลยนะครับข้อที่หนึ่งคนที่ตายหฉลีดคนที่อัลลอจะไม่ให้เขาได้รับการลงโทษใดๆทั้งสิ้นอยู่ในสุสานจนกว่าเขาจะฟื้นนหนึ่งคนที่ตายเฉีดเป็นฮดัดติสของอิหมามนซ า, าอีสองคนที่เพ็นทหารยืนตามชายแดนเพื่อรักษารัฐะอิสลามนะครับ ถ้าเขาตายนี่นะเขาไม่ถูกลงโทษที่กุบรอิมามติรมีดีนะครับ้อที่สามคนที่อ่านสุราอัลมุลกตบารอกัลลีบยาดฮิลมุ ล, ลกอะฮระละกุลิชอิงก็ดีอ่านทุกวันอ่านสม่าเสมออ่อานทุกวัน อิมามนาซีอิมามอาัลมัดอิหมามติมีรีทันอิมามฮากิมสอัลมมะสีอาเลมอัลลัมะนักฮะดิษนันได้บันทึกฮะดิษนี้มาคอที่สีคนที่อ่านอัลกุรอานอยู่เป็นประจำก็เห็นภาพนักเรียนทำดุริลลาภาพที่น่ารักมากนะครับอ่านจนกว่าจะตายไม่ใช่อาช่านเฉพาะจบปม .6 แล้วจบไม่ใช่ต้องอ่านจนกว่าจะตายนั่นละ จบม .6 แล้วไปต่อมหาวิทยาลัยก็อ่านกุรอ่านอยู่เป็นประจำข้อที่ห้าเดินมามัสยิดคนที่เดินไปมัสยิดอยู่เป็นประจำเลยเนาะหดิ i t ์ของอิหมามตบบรณนีนบีประกันนะครับเขาจะไม่ถูกลงโทษที่สุสานข้อที่หกคนที่นมาดไม่ขาดวันหนึ่งห้าเวลาบวกด้วย นมาต่อรวิด้วยอะไรด้วยไปต้องไม่ถูกลงโทษที่กูโบข้อที่เจ็ดคนที่ถือสินกดเนี่ยกำลังมาอยู่ในขณะนี้มุสลิมทุกคนทั่วโลกครับก็ถือกันนอกจากได้ประโยชน์บนดุนยาแล้วเนี่ยหลังตายอัลลอฮ์ก็ป้องกันไม่ให้ได้รับการลงโทษที่กูโบข้อที่เจ็ดข้อที่แปดจ่ายสากาัด พี่น้องหลายคนนะครับที่เข้าใจอิสลามเนี่ยเข้าใจส ก, กากันในเดือนรอมฎอนเข้าใจสากกาันในเดือนรอมฎอนทั่วโลกนะครับมุสลิมที่เข้าใจอิสลามข้อที่9ทําทำโซตร์เยอะๆปกป้องจากการลงโทษที่ที่กูโบโได้หลายเรื่องแต่ที่แน่ๆในชีวิตหลังตายก็ปลอดภัยข้อที่สิบนามาซุนัต นีุ่นัขหมูอัะดกซุโบสองลอกษณรักษาก่อนุรก่อนุรี่ลอกษณหรือสองลัรักษาหลังจฮุริสองลักษณะหลังมริบสองลักหลังน้มานอิชาอีสองลอกษณะรักษาข้อที่สิบเอดติดต่อกับเครือญอาติยาทะเลาะกับเครือญาติเรียกว่าสิลตุรหิม เรือยิที่ใกล้ชิดในมีอยู่สิบหนึ่งพ่อสองแม่สามพี่ชายหรือน้องชายสี่พี่สาวหรือน้องสาวห้าญาติของฝ่ายพ่อทั้งหมดหยญาติของฝ่ายแม่ทั้งหมดเจ็ดลูกเขย 8. ปดลูกสะพยเก้พ่อตาสิบแม่ยายสิบ สิบคนมันจะเยอะอยัางผมนี่หมดแล้วเหลือไม่กี่คนที่เป็นญาติสนิทพ่อตาแม่ยายพอ่อแม่อารอเรียกกลับไปหมดแล้วก็เหลือไม่กี่คนยังคนยังหนุ่มอยู่ก็แต่งงานใหม่ๆก็ญาติเยอะหน่อยก็ต้องเหนื่อยนิดนึงให้มีปัญหาเป็นน้องท้ามเถอะครับปกป้องอาสาบไหนกูโบได้ทั้งหมดมีอยู่สิบสองรายการด้วยกันทั้งหมดนี่บันทึกโดยฮะดิษหมดเลยนะครับ ไม่มีคำสั่งของอุลมามะไม่มีฮะดิษทั้งหมดเลยนะครับก็ขอฝากนะครับว่าก่อนที่จะเรียนอ่านที่จะทบทวนคุรานห้าอายะวันนี้จากสุรษัอัลอัมบียะเอามาดูคุรานนะครับลลหุมฟีฮะฟีรุหมฟีฮาลายสมาอฺ ละหุมฟ um um ي ه ا ซาฟิร์วะหุมฟ ي ه ا ลาย์สมอานอัลลอฮฺอักบัทอ่านคุรานแล้วมันสบายใจนะแต่ต้องรู้ความหมายนะถ้าไม่รู้ความหมายก็อ่านฟังเสียงอย่างเดียวคนที่อ่านเพราะก็อัลลอฮฺนมากรุ๊ชัวอ่านไม่เพราะก็ก็ใจลอยนะ ตีนี้เราต้องอ่านกรุรอ่านแบบรู้ความหมายนะละคำดูลิเดะคำว่าザฟีดเนี่ยฟีนี่แปลว่าเสียงควรครางザฟีแปลว่าเสียงควรครางเสียงควรครางเนี่ยมันมาจากสองสองแหล่งหนึ่งมาจากตัวนรกเองนี่เล่าถึงภาพนรกนะเล่าถึงภาพของชาวนรก ตัวนรกเองนี่นะครับอันนารุจน์นำนี่มีเสียงออกมาแล้วก็เสียงของคนที่อยู่ในนรกอีกเสียงตะโกนเสียงร้องของความช่วยเหลืออัลลอทรมานสุดๆเนี่ยนะนี่ยอัลลอฮเล่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดอัลลอฮสอนบอกว่าละหุมฟีฮาจะฟีสำหรับพวกเขานั้น พวกเขาที่อยู่ในนรกนั้นมีแต่เสียงครวญคราง Allah, รอัลโลงตะโกนโยวยวายทรมานสุดๆทำไมต้องตก น, นรกก็เพราะว่าตอนอยู่บนโลกดุนยาไปนี่เนี่ยไม่สนใจรัฟละไมยถึงเฉยเมยสตูปิดไม่สนใจใจสนุกกับความสุขบนดุนยานี่พี่น้อง ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักรอซูนของอัลลอฮ์ไม่รู้จักอัลกุรอานสามรายการนี้นะครับนั่นแหละเป็นตัวนําให้เขาสู่ความมรานะทั้งหมดเลยครับตอนนี้พอลงนรกเสร็จแล้วเนี่ยความจริงก่อนลงนรกเนี่ยอยู่ในกูโบะก็ถูกลงโทษแล้วที่ผมเล่าอ่ะวิธีปกป้องไฟนรกมีอยู่กี่ข้อนะสิบสองข้อถามว่าสิบสองข้อเนี่ยเราทำกันอยู่ไหมทำกัอยู่วันนี้ จากนั้นพวกเราอินชาอัลลอฮ์ที่นั่งอยู่ในมัสยิดนี่นะขอดุอายต่อรออย่าให้ถูกลงโทษเลยห้ามโดยเร็ ล, ลานะแต่ชาวบ้านนาบีบางคนนี่นะนบีขอดุอายไปที่กูโบนบีขอดุอายให้นบีก็เล่าว่าคนนี้มือกี้ก่ยที่ฉันจะมาขอดุอายนะ่ะถูกบีบถูกบีบชุกงอะ่ะแย่เลยนะ พอฉันอ่านดูอาฉันขอดูอาฉันนำมาดให้เดี๋ยวนี้อัลลอครี่ดคาไปหมดแล้วยิ่งใหญ่มากนะครับพี่น้องเราไม่รู้อะเราะนั้นอาซาบูโบที่ยิ่งใหญ่ก็คือชีกับกับนินทาใส่ร้ายคนโอ้โหลราก็งานสองงานนี่พวกเราก็ชอบด้วยคุยเรื่องชาวบ้านนี่อร่อยจริงจริง o, อัลลออัลกุอัลัแล้วชอบด้วยนะในขณะ เข้าใจอิสลามนะเข้าใจาศาสนาก็ยังนินทากันอยู่เลยนะนะครับทีนี้เมื่อตกนรกเป็นไงครับละหูละหุมฟีฮาซฟีสำหรับพวกเขาในนรกนั้นมีแต่เสียงควค ร, งรางภาษาอุดูววาจัลักษิลลาษ์เสียงตะโกนเสียงตะโกนอ่นานภาษาอุดูคนลุกอ่นานภาษาไทยยูเสือมันเบา เสียงควรครางมันอุดูมันยังไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรนะมันไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะแต่อ่านจากภาษาอุนดูนี่หนักนะวะฮุมฟีฮะลายาสมาอาแล้วพวกเขาในนรกจะไม่ได้ยินเสียงอมีเสียงควรครางแต่คนข้างในไม่ได้ยินเสียงซึ่งกันและกันต้องการจะอธิบายยังไงครับในตับซีดภาษาอุนดูที่รอบิโตพิมพ์ ของรอบิต้เลยนะคนอื่นพิมพ์ยังอาจจะสงสัยว่าผิดหรือเพี้ยนแต่รอบิตอต้พิมพ์วงอ่านพบบอกว่าอิบนนมซสอุดรอจุลลอฮของอ่นดเป็นสหบ้านนบีได้รายงานบอกว่าคนในในนรกรือไม่มีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อชาวนรกถูกจับใส่หีบเล็กอัลลอ์ถูกจับใส่หีบหีบเล็ ก, Allah, ก, ลกนะพี่น้องนะอัลล์อัรอ เมื่อชาวนารกถูกจับใส่หีบเหล็กแล้วก็ปิดฝาข้างบนแล้วก็ให้มันลอยอยู่ในนรกมันจะร้องเท่าไหร่ไงคนริมริมไม่ได้ยินหีบคนระบาะบายระบายะบาะบายะ บ, ยะ บ, ยะบยใส่หีบเหล็กแล้วก็ปิดเอาไว้เอา้าลอยไปอยู่ในนรกนั่นแหละแล้วก็เวลาร้องในเวลาตะโกเนี่ยได้ยินกันไหมไม่ได้ยินครับอลัลลอฮฺอ่านตรงนี้แล้ว กลัวเลยครับหุมฟีฮาซาฟีสำหรับพวกเขาในนรกนั้นมีแต่เสียงควรวญครางเสียงของตัวนรกเองและก็เสียงของคนที่อยู่ในนรกอีกสองเสียงบวกกันวะหุมฟีฮาละยาสมาอุนและพวกเขาในนรกจะไม่ได้ยินเสียงโอ้หาได้ยินเสียงไม่รอหัก่อน ไม่ได้ยินเสียงซึ่งกันแล้วกันทำไมล่ะเสียงไปอยู่่ไหนหมดคำอธิบายของอิฟเนมัสอุลก็คือเอาลอ้อจับใส่หีบเหล็กแล้วก็ปิดฝาข้างบนแล้วก็โยนลงไปใน น, นรกนั่นแหละทั้งเดือดทั้งร้อนสารพััทวินองครับตายไหมไม่ตายไม่ตายครับดงนั้นเวลาทรมานอยู่บนดุญญาเนี่ยต้องขอบคุณอลอ้อนะหนักที่สุดก็แค่ตาย พอตายแล้วจบทรมานไม่มีพอตายมันก็จบแต่ น, นานรกมาอย่างนั้นน่ะตายก็ไม่ตายอัลลอทรมานสุดๆอัลลอนะองสิบราฮอิมินซักเลียงภาพของนรกพี่น้องทำไมต้องเล่าเรื่องนรกมากถึงขนาดนี้เพื่อจะให้พวกเราเข้าใจว่าวันเกียมานั้นมีจริงถึงได้เล่าภาพหนักๆให้เราฟังเนี่ยเพื่อให้เราตระหนัก แล้วก็ฝังลึกไปในหัวใจว่านารกมีจริงนะมีการทรมานจริงๆนะอันนารวชักกุลวัลอาญาบวชักุลนรกมีจริงการทรมานมีจริงนะครับขนาดในภูบยูยังมีแลยนรกจะไม่มีได้ยังไงะรับมันต้องหาวิธีปกป้องให้ได้พี่น้องฉะนั้นคนที่อ่านกุนอ่านจะรู้วิธีปกป้องว่าไม่ให้ตัวเองถูกลงโทษที่สุสานทําไงไม่ให้ตัวเองถูกลงโทษในนรกทํำยังไงนะครับพี่น้อง อาตมาอายที่หน e ึ่งร้อยนึินนัลลาดีนัสะบักตละฮุมมินัลฮุสนาุลัยกะอันฮะมุบะดุนอินนัลลาดีนัสะบักตละฮุมมินัลฮุสนา ุล่า يك عنها مبعدون الحمد لله อันนี้สบายใจอินัลลอ ذي نسابقت ดูคำแปลก่อนนะ سابق ตแปลว่ามีล่วงหน้ามาก่อนแล้วอ่ามีล่วงหน้ามาก่อนแล้วอะไรครับอัลฮุสนา ความดีมินนาจากอัลลอ์จากเราแล้วฮุ้มแก่พวกเขาอินนาแท้จริงอัลลาดีนะบันดาแท้จริงบันดาผู้ที่ความดีของเราได้มีมาล่วงหน้าคือมีคำสัญญาเอาไว้แต่ตักเด็ดจากอัลลอ์ไว้แล้วนะครับ ได้กําหนดไว้แล้วว่าคนคนนี้จะได้ไปสวรรค์นะครับนักบุญเีร์ก็อ่านอธิบายไว้ครับผู้เราทุกคนเนี่ยคนที่มีอิมรันต่ออัลลอฮ์นี่นะอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วว่าคนเคนคนนนะลหน ล, ววนล่านี้ได้ไปสวรรค์หมดใครบ้างที่ได้ไปสวรรค์หนึ่ง บ, บ, งบร ร, รดานาบีทั้งหมดได้ไปสวรรค์ใครกําหนดครับอัลลอฮ์กำหนดล่วงหน้าไว้แล้วบรรดาซาวบ้านนาบีทั้งหมดได้ไปสวรรค์ทําไมครับเพราถูกตักดินไปแล้ว ถามว่าพวกเขาเหล่านั้นน่ะที่เอาล็อกําหนดล่วงหน้าว่าไปสวรรค์น่ะเพราะอะไรครับเพราะผลงานผลงานครับผลงานของใครเขาเขาทำอะไรนะ่ะเขาทำงานศาสนาเขาทํางานดาว่ากันหมดเลยบรรดานาบีทํางานดาว่าสวบ า, าบานอิบราฮิงานดาว่านะครับนบรอีซาทํางานดาว่าลูกน้องไซนนั้นของนบีอีซาก็ทํางานดาว่า ส, สวาบานอิบีทํางานดาว่า นบีอิสรานาบีมูซาทํางานดวาวาศาสนาหมดเลยนะครับนบีที่มาในโลกนี้ทํางานศาสนาหมดเลยครับแล้วมีอยู่สีคนใหญ่ๆคนดังๆมีอยู่สี่คนนะครับสี่กลุ่มหนึ่งบรรดาณบีสองอัสสิดีกีนคนที่ยืนหยัดอยู่กับศาสนานี้ก็ทํางานศาสนากันนะแล้วก็ชูฮัดะคนที่ตายช شهيد เขาทำอะไรถึงตายอะ่ะ ปกป้องศาสนาไปอยู่ไหนสนามรบแล้วเข้าตายอ่ะแล้วก็ซูละฮ์คนซอยแรกคนซอยแรกมาจาณามาอย่างเดียวอ่ะเขาเหนื่อยมั้ยนะเหนื่อยดูแลลูกดูแลหลานดูแลสังคมดูแลพี่น้องของเขาอัลลอฮ์พี่น้องเน็ดเหนื่อยก็ทํางานศาสนาทั้งหมดเนี่ยสี่กลุ่มเนี่ยสี่กลุ่มที่เราขอดูอาว่า ง, งั้นนะอิฮดีนัซีรอตัลมุสต์กีมอัลลอฮ โปรที่ทางนำให้ฉันให้เราเนี่ยอยู่ในทางนำที่ถูกต้องเหมือนใครครับอันนามตาอัลายหิมเหมือนกลุ่มชนที่อัลลอฮได้ประทานเนี่ยหมัดความโปรดปานให้แก่เขาก็มีสี่กลุ่มอัมบียบรรดานาบีนนบสซิดดีกีนคนที่ยืนหยัดอยู่กับศาสนานี่สูฮาดคนที่ตายห ه ي สุลลาคนซอเล่ทั้งหลาย ทุกคนทํางานศาสนาหมดเลยปกป้องศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวานาแล้พวกเราก็เตรียมลูกหลานของเรานะครับให้ความรู้จนกทั่งโตเป็นหนุ่มก็ทํางานศาสนานี้นะครับอาชีพก็ว่าไปอีเรื่องหนึ่งทุกคนมีใจที่จะปกป้องศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮา น, นาหูวานาล้นะครับอายานนี้ต้องการจะอธิบายอย่างนี้เป็นการโต้ตอบ อายาที่หนึ่งอินนัลลาีนัซาบะกอตละฮุมินนัลฮุสนาแท้จริงบันดาความดีของเราได้มีล่วงหน้าหรือได้ประสบแก่เขาทั้งหลายมาก่อนแล้วพวกไหนรู้ไหมคือเป็นอย่างนี้อายาหนี้ต้องการจะโตอตอบคนยิวคนหนึ่งที่แน คนอาดับมุชริกกาฟิรินหลังจากอาดับมุชริกกาฟิรินนะครับนบีอ่านอุร์อ่านให้พวกเขาฟังว่าไงนะอ่านบอกว่าอินนักุมว่ามาตั๋บุดูนะมินดูนิลลาฮิฮัสซับูจฮันามอายะที่98้าะ อินนักุมวะมาตับดูนัมินดูนิลลาฮซับูจหันนำอันตุมลาฮาวาิดูนอ้ายานี้เป็นเหตุอ้ายานี้นบีอ่านเพราะนาบีอ่านคนกาเฟสพวกบูชาเจเวิตก็ได้ยินด้วยพอได้ยินปั๊บโกรธข้าแปลก่อนแท้จริงพวกที่บูชาเจเวิต อินนะกุมแท้จริงพวกท่านผู้บูชาจเจวิววะมาตาบูรูนามินดูนิลลารวมทั้งจเจวิตที่พวกเขาสักการะบูชาอื่นจากอัลลอฮฺาซาบูจหันนำล้วนเป็นเชื้อเพลิงของนรกอัลลอะฺเพราะว่าคำนี้คนกาเฟต โ, โกรธเลยโกรธน บ, บีมุฮัมมัดนี่มาดาดฉันอีกแล้ว อันนี้มาดารูปเจเวทชันอีกแล้วทําไม่ชันตกนรกไม่พอเด้ให้รูปเจเวทของชันตกนรกด้วยอันตุมลาหาวารีดูนพวกท่านจะเป็นผู้เข้าไปอยู่ในนรกเพราะพวกนี้ได้ยินนบีอา่านโมโเหเลยโกรธเครียดเสร็จแล้วก็ไปหาใครรู้ไหมไปหาอาเลมของกลุ่มอาลุกิตา อุลมายิวกับอุลมาคริสเตียนไปปรึกษานี่มอธรรมะเล่นงานเราใหญ่แล้วดูสิขอานจากอัลอ์ประทานลงมาบอกว่าไงนะคนที่บูชาเจเวีตรวมไปถึงรูปเจเวีที่เราบูชาตกนรกหมดทั้งสองกลุ่มเลยท่านว่ายังไงหัวหน้าอุลมาคนยเนี่ชื่ออะไรนะชื่ออิบโน อิบนูอะไรลืมชื่อไปแล้ว ab ari, ab ab อิบนูซบอาซีอับซาบอาีจะกบบอกว่าโอ้ถ้าฉันอยู่นะฉันจะโต้อตอบมหฮัมมัดทาคุณโตเอาเอาเอะไรมาโตฉันจะโต้ตว่าอย่างนี้นบีอิอซาพวกคริสเตียนวันนี้กราบอยู่นะไม่ใช่เป็นนบีแล้วนะกลายเป็นสิ่งที่บูชาไปแล้ว แล้วก็นบีมูซาเนี่ยไม่ใช่นำเอาตารออินยื่มาสอนอย่างเดียวไม่ใช่พวกเรากราบพวกยิวกราบนาบีมูซาพวกคริสเตียนกราบนาบีอีซาสองคนนี้ก็ต้องเป็นชาวนารกใช่ไหมอ่าพูดให้ข้อคิดกับคนอาบมุสริกสองกลงุ่มนี่อ่าอา랍โอ้ดีใจแจ๋วแจ๋วงานนี้รับรองนบีมุั a m m a d ตอบไม่ได้แน่เลยพอคุยกันเสร็จ ขั้บนประทานอัลนุรอานลงมาหาท่านนบีก่อนเลยอายานี้ครับอินนัลลาฮีนัสซาบะกัสละหุมมินนัลฮุสนาอุลัยกาอันฮามุบะดูนอัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่เมตานบีขนาดไหนกลัวนบีจะตอบไม่ได้ประทานอัลนุรอานลงมาให้เลยมาอันนี้เป็นคำตอบโต้กับพวกอาหรับมุสริกและอุลมาจิ และอุลามาคริสเตียนตอบว่าไงครับแท้จริงบรรดาที่ความดีของเราได้มีล่วงหน้าแก่เขาทั้งหลายมาก่อนแล้วใครบ้างนาบีอสานาบีมูซาสองคนนี้เป็นคนดีเป็นคนที่ได้รับความดีจากเราแล้วเราได้กำหนดความดีให้แก่เขามาก่อนแล้วเขาทำหน้าที่อะไรถึงได้รักขณานี้เพราะเขาทำมาศาสนาใช่ไหม อุลออกอันฮามุบาดูเหล่านี้แหละเขาทั้งหลายเป็นผู้อยู่ห่างมุบาอับายดุนแปลว่าห่างไกลมุบาอัตแปลว่าอยู่ห่างจากไฟนรกอัลฮัมดุลิลลาฮิโนองนี่ไงอิสลามกุรอ่านอัลลอ์ามาแก้ปัญหาทีละเรื่องละเรื่องละเรื่องละเรื่องแทนท่านอบดุลมฮัมหมัดสุสลตานอาฮิล้วนวะซาลัมจากนั้นสรุปสัน้นๆก็คือ คนที่ทำงานศ า, า, า, า, า, า, าสนาด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์อีมานันวัดิซาบันทำงานศาสนาด้วยหัวใจที่แรงศรัทธาแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺอัลลอจะไม่ให้ลงนรกสบายใจไหมสบายใจนี่เป็นคำตอบนะครับที่อัลลอจะสยาวรนัคตบีอัลกุรอานอัลลอฮพี่น้องครับขอบคุณอัลลอนะ แล้วก็ต่อมาท่านอิบนูซามารีเนี่ยมารับอิสลามในตับซิดอิบนุกะซิดอธิบายบอว่าชื่อเดิมมันอับดุลลอห์บินซามารีอัสลามะบะดหลังจากที่ได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาเห็นได้นบีมุมมาได้รับคำตอบจากอัลลอฮ์มาอธิบายปัพบตัวเองก็งงอ่ะเอเลยอัสลามะมารับนับถืออัลอิสลามตอนหลังอัลฮัมดุลิลลกัสปนอง อันอายาที่สองที่นี้ค้งว่าคุสนะเนี่ยท่านอ ah นะครีมาได้อธิบายว่าเป็นรอมาแปลว่าความเมตตาอีกท่านหนึ่งแปลว่าอัาสซาดะแปลว่าความสุขคุสนะเนี่ยแปลว่าความสุขหรือความเมตตาหรือสวนสวรรค์ก็ได้นะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาพี่น้อง <c oughs> ต่อมาครับอายาที่หนึ่งร้อยสองหนึ่งร้อยสอง ל ا يسمعون حسيتها وهم في م ش ت َ ت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيتها وهم في م ش ت َ ت أنفسهم ขอลิดุนอะัลลอฮุอัยฮรมนะอ่านกรูรอารสบายใจนะพี่นอ้องและยาสมาห์นะฮัสซีซาต้องการจะเล่าว่าคนที่ทำงานศาสนานบีอีสานบีมูซานบีม uh ammad, บุฮัมมัดบรรดานบีทั้งหมดอยู่ในความเมตตาของอัลลอไ์้รับความดีจากอัลลอ์เพราะความดีนี้ได้ถูกกำหนดล่วงหน้าแก่เขามาก่อนแล้ว ทีนี้มื อ, อยู่ในสวนสวรรค์ไม่ตกนรกอัลลอฮ์เล่าสภาพของสวนสวรรค์ว่าไงครับเมื่อเขาอยู่ในสวนสวรรค์นะพี่น้องลายสมาอูนอาฮซีซาคนที่อยู่ในสวนสวรรค์นั้นเขาจะไม่ได้ยินลายสมาอูนเขาจะไม่ได้ยินพี่น้องนึกภาพถึงได้ยินอะไรครับ ได้ยินการทรมานใดๆทั้งสิ้นไม่ได้ยินเรื่องเรื่องร้าๆไม่ได้ยินอัลลอฮ์ถอดออกหมดนะพี่น้องนะนี่วันนี้อัลลอฮ์ทดสอบมนุษย์นะอัลลอฮ์แปะแปะอะไรรู้ไหมแปะความอิจฉาไปนิดนึงที่ไหนที่หัวใจแปะความอิจฉาแปะความโกรธแปะความอะไรนะแก้แค้นแปะความ แปะเรื่องไม่ดีไม่ดีไว้แปะไปหกเจรายการดูนะหัว ใ, ใจแปะไว้นะทดสอบดูว่าใครจะคอนโทรลมันได้มัอลัลลอฮฺแปะเพื่อทดสอบเอาเงินให้ใ ห, หให้นู่นให้นี่ให้เพื่อแปะประการทดสอบอย่างเดียวนะพี่น้องหลายคนตกนรกเพราะอาลัลลอฮฺแปะไว้นิดเดียวนะั่แหละพี่น้องไม่เคยควบคุมไม่เคย อะไรนะั่งไม่เคยที่จะคอนโซลหรือเบรกอารมณ์ตัวเองเลยไปนเนาะเวลาไม่พอใจด่าเวลาไม่พอใจเสียงดังเวลาไม่พอใจตีเวลาไม่พอใจแทงไม่พอใจยิงเห็นไหมที่มันเกิดเรื่องอยู่ปัจจุบันนี่นะเอาล้อแปะเรื่องไม่ดีไม่ดีเอาไว้ในใจเพื่อเป็นการทดสอบเท่านั้นเองแต่ท่านคนที่มีาศาสนาเนี่ย<ฮ>เข้าควบคุมอารมณ์ก็ตลอดเวลานะ อันนี้ตื่นมาทำมาซูโบได้เนี่ยดีขนาดไหนเนี่ยที่ทำในควบครัว ม, มาลงมาเตือนไหม่เอาล่ะบางทีนอนสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงตีหนึ่งบางมนอนสิบสองโงนะนั่งอ่านหนังสืออยู่ก็ตีสามก็ตื่นกันแล้วทําไรอาหารซะฮู้นะก็ต้องมาละหมาดก่อนหล้บไปอ่านคุณอานนิดหน่อยแล้วไปไปนอนถามว่าทําด้วยความภูมิใจแน่นอนบางคนทําด้วยความภูมิใจฉันทําแบบนี้ เพื่อ้อีมาณวัติซาบันหวังทําด้วยแรงศรัทธาแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺบางคนไปนองครับทําไม่ได้อะบางคน ต, นตื่นอะไรนะตื่นอาหารก่็ทานไม่ได้ยอมอดกินตอนเที่ยงคืนเลยเน่ยนั่นไม่ใช่อาหารสะฮุตเป็นอาหารกลางคืนอาหารสะฮุตมันต้องทานตอนอะไรนะตอนใกล้จะหมดเวลานั่นเราเรียกว่าอสัสฐ์ฮุรบารอกะ ทานอาหารตอนกล้จะหมดเวลานั้นมีบาระฆะอัลฮัมดุลิลลาห์บาระไะหอายความจำเริญความเพิ่มพูนที่มาจากอัลลอถ้ากินทั้ง12โมงเขาเรียกว่าอาหารเที่ยงคืนหรือว่าข้าต้มยำดึกเอว่าไปแต่ไม่ใช่ซาฮูตแน่นอนนะครับพี่น้องเอาต่อมาครับลายสมาอูนาคาซีซะพวกเขาทั้งหลายจะไม่ได้ยินเสียงแผ่วเบาของนรก อัลลอฮ์นรกนะมีเสียงไหมมีดังไหมดังตัวนรกเองนะนะแล้วก็คนที่อยู่ในานารกมีเสียงไหมมีเสียงตะโกนใช่ไหมมีแต่คนในนรกไม่ได้ยินสาเหตุเพราะอัลลอฮ์จับใส่หีบเหล็กแล้วก็ปิดฝาข้างบนเลยไม่ได้ยินเสียงแต่นี่เล่าสภาพของคนที่อยู่ในสวนสวรรค์ลายัสมาอูนฮะซีเซะ พวกเขาจะไม่ได้ยินเสียงแผ่วเบาของนรกอลลอฮ์อะลลอฮนรกเขาเดือดร้อนกันนะ่ะเขาโวยวายกันนะ่ะแต่คนที่อยู่ในสวนสวรรค์ไม่รู้เรื่องเลยว่านารกอยู่ยังไงเป็นไหมพี่น้องนี่อลลอเนี่ยเล่าถึงความเมตตาดีขนาดนี้นะ่ะพี่นอ้องหลายเรื่องจริงไหมจริงครับอาทีนี้ พอคนที่อยู่ในสวนสวรรค์ไม่ได้ยินเสียงแผ่วเบาเสียงกระตุกกระตากเสียงเล็กๆน้อยๆจากจากชาวนรกนะ น, นะชาวสวรรค์ไม่ได้ยินเลยแต่ว่าเห็นภาพไหมถ้าอยากจะดูเห็นภาพได้อยากดูนอยยาล้อแล้วก็ให้เห็นล้อชาวนรกขอน้าชาวสวรรค์มีไหมมีครับวันนี้คนไม่เอาศาสนามาขอน้ําคนมีศาสนาให้ได้ไหมได้ แต่ในวันเกียม์มาในนรกหมดสิทธิ์ชานรกขอน้ำหน่อยสิบังเราอยู่ด้วยกันมาก่อนบ้านใกล้กันนะเคยให้วันนี้ขอหน่อยได้ไั้มต่อว่าไงนะอลัลลอฮห้ามฉันไม่ให้ยื่นแม้แต่น้ำสักแก้วหนึ่งหรือหยดหนึ่งใส่ปากคุณจบละยาสมานนะคะสีสา nah ah, ชาวสวรรค์จะไม่ได้ยินเสียงแผ่วเบาหรือการร้องครวญครางของคนชาวนะรกแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ ชาวนารกได้รับชาวสวรรค์ได้รับอะไรครับวาฮุมและพวกเขาทั้งหลายฟีมัสตะฮัตอลัลลอฮฺพี่น้องฟีมัสตะฮัตจะได้ตามที่จิตอัมฟูซุฮที่จิตใจของพวกเขาอิสตะฮัตแปลว่าต้องการอิสตาฮัตแปลว่าต้องการ คนที่อยู่ในสวนสวรรค์เขาจะได้ตามที่เขาต้องการอัลลอฮ์ไปน้องได้อะไรนึกอะไรได้หมดมาดูคำตับซิศอ ธ, ธิบายครับเขาจะได้ตามที่จิตใจของภูเขาต้องการมีทั้งหมดสี่รายการหนึ่งอยากจะอยู่ที่อาศัยแบบไหนบอกอัลลอฮ์อัลลอ์จัดให้ บางคนอยู่ชอบอยู่อพาร์ตเมนต์อ้าวจัดอพาร์ตเมนต์ให้อยู่เมเคยอยู่บนดุยานเอาไหมต้องการที่อยู่ชนิดไหนบอก Allah, อัลลอฮฺอัลลอฮฺจัดให้ข้อที่สองต้องการอากาศแบบไหนอ่ะอากาศแบบนั่งพัดคงไม่เอาแล้ะมึงอากาศเย็นๆสบายๆ บ, บอกท่านบอก Allah, อัลลอฮฺอัลลอฮฺจัดให้ข้อที่สามครับฤดูการจะเอาระดูแบบไหนล่ะอาจะดูฝน บอกจะเอารัดูหนาวจะเอารัดูร้อนบอกเอาละเอารัดดูใบใบไม้ผลบอกเอาล ะ, าาาาละเอาละจัดให้หมดข้อที่สี่อาหารก็เหมือนกันต่อการอาหารเมนูอะไรบอกที่กินเนี่ยมาจะกินเพราะหิวนะกินเพราะเทสเทสอะไรนะชิมต้องการจะชิมเลาละชิมอาหารกินแล้วอาชิมชิมชิมี่มมน้องมีอยู่สี่รายการจิตใจ ต้องการอะไรเอาล็อให้เลือกสี่รายการหนึ่งอากาศสองที่อยู่อาศัยสามระดูการสี่อาหารผู้หญิงก็ภรรยานะของเรานะ่ะภรรยาเราที่อยู่ด้วยการบุญดุญยานี้เนี่ยนะเพไปเจอในสวรรค์นี่ตกใจเลยนี่เธอเลยเนี่ยลคนเก่าหรือคนใหม่คนเก่านาัน่นแหละ ท, ทำไมมันสวยกาเก่าล่ะเพราะร่องรอยของการอ่านอลกุรอาน หญิงชาวสวรรค์ไม่มีอ่นานคุรานนะครับอันเนาะบิดันดารีหรือว่าฮาวรุนไอเนี่ยไม่ไม่สวยสู้ภรรยาเราไม่ได้ภรรยาเราเนี่อัลลอฮฺผอัควาตอะไรเพราะอาบหน้นามามาเพราะถือศีลอดเพราะไม่ด่าสามีเพราะไม่ร้องเพลงไม่เต้น ร, อนราอัลลอฮฺผอัควัตแล้อ่านกุรานซึกงรุ่นล่อสม่ำเสมอสวยไอเกหญิงชาวสวรรค์ตั้งเยอะแยะไปหมดท่า น, น อยู่บนดุนยานี่ยเรารักกันไวนะ้ในเป็นน้องเลยอย่าทะเลาะกันเลยให้อภัยกันเถอะนะท่านอัลละฮ์อีกท่านหนึ่งอธิบายบอกว่าความอร่อยอร่อยความอร่อยนะอร่อยทางตาอร่อยทางหูอร่อยทางปากอร่อยทางอารมณ์อร่อยทางลิ้นเนี่นะไม่มีวันหมดอายุ แล้วก็อร่อยกว่าเก่าอีกวันนี้ทานอาหารชนิดนี้มันอร่อยพวกนี้ไปทานอร่อยกว่าเก่าอีกอรรลลนี่ภาพของเช้าสวรางเนี่ยอรรรนเ ล, ล่านะอลมอาอีท่านหนึ่งบอกว่าลินนูฟูสิชาหวะวะบิลกูลูบิชาหวะบะบิลอารวอฮิชาหวจิตใจก็มีมีความและมีความต้องการหัวใจก็มีความต้องการวิญญาณก็ต้องการอัลลอฮ์ให้หมดเลยสามสิรายการดูดีแล้วเพ่น้อง เดี๋ยวนี้ในกูรอานมีอายาหนึ่งอธิบายว่าในสวนสวรรค์นี่นะจะเป็นภาพแบบนี้แหละอ่าเนี่ยช่วงโมงเนี่ยดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นเนี่ยนี่นะว่าอากาศเป็นอย่างนี้เย็นเย็นสบายสบายะหัมจะเนเอาเล่าภาพนีดทึกนะภาพของคนที่นอนอยู่ในกูโบตอนที่มาลาอิก้าลงมามาสอบนี่เป็นน้องครับวิญญาณเข้าร่างเราเหมือนปัจจุบันนี้เลยนะ ตอนนอนอยู่ในสุสานนายพี่น้องพอฝังเสร็จเนี่ยวิญญาณขึ้นข้างบนเข้าเฝ้าอลัลลอฮฺเสร็จแล้วนะเอาวิญญาณคนดีนะอลัลลอฮฺสั่งว่าส่งวิญญาณของเขาลมไปอยู่ในร่างของเขาอีกครั้งหนึ่งไซนาอุมะ ถ, ถามท่านอบดุลยร์รอสูอัลลอฮฺฉันเนี่ยหายใจมีชีวิตเหมือนตอนเป็นเตนนี่หลือเียกว่าใช่พี่น้องครับฉะนั้นนอนอยู่ในกุโบนะวิญญาณของเรากลับมาในายพี่น้องนั้น แล้วก็เวลามาลายมาลายกามาถามเนี่ยเวลาขณะนั้นเหมือนกับดวงอาทิตย์กล้าจะตกดินเหมือนดวงอาทิตย์กล้าจะตกดินแล้วก็บอกกับมาลายกาว่าห้ามถามฉันนี่คนดีนะอามาลายกาหยุดก่อนอย่าเพิ่มถามฉันฉันค้อนน้ำมาดก่อนเดี๋ยวตะวันจะตกดินแล้วเป็นห่วงน้ำมาดแล้วก็อ า, อานมาัดไปนมาดไปนมาดไป พอนมาโจก็ถามว่ามารอบบูกะใครเป็นรอบของท่านตอบว่างัยนะอัลลอฮูรบบิปัญญาตอบครับแล้วก็หัวใจที่รักอัลลอฮ์ตอบครับมันฑ์นบียูกัใครเป็นนบีท่านนบีมุฮัมมัดครับรก่อนตายเนี่ยพูดถึงสุนน่านบีสุนน่านบีสุนน่านบีอัลลอฮ์อัลลอฮ์ Allahu Akbar. Allahu Akbar. แล้วก็มันอิมามูกะใครเป็นอิหม่ามของท่านอัลลอฮ์อัลลอฮกูร่าเป็นอิหม่ามของท่าน ผมลืมเล่าถ้าหญิงอัลไอชาเนี่ยที่ถามท่านนาบีว่ามีการทดสอบอยู่ในกูโบรหรือนะครับนบีบอกมีครับนางไอชาตอบถามว่ายัางไงอาณาอิมรออตุนตัวไอ้ฟ้ฉันเป็นผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งน่ะออนแอเป็นแก่คนหนึ่งฉันจะตอบจะอยู่ในกูโบยังไงล่ะคนแก่ๆเนี่ยนบีบอกว่าอาลัลลอฮ์มีเครื่องป้องกันมีโล่ป้องกัน รับรองว่าถ้าเอาเครื่องป้องกันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษท่านใดๆเลยในหลุมฝังศพอะไรรู้ไหมละอิละฮ์อิลลัลลอฮ์มูฮัมมัดุลรอสูลลลอฮ์สองประโยคนี้พป่น้องจำให้ดีแล้วก็ปฏิบัติตามสองวรรคนี้ให้แน่นละอิละฮ์อิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ดะนั้นตะกุดไม่ใส่จึงจกทักไม่เชื่อ ต่ะตะเกียร์ไม่ไปเราเชื่อใน allah อัลลอ์องเดียวไปน้องแล้วก็ตามทําต า, ตามสุนานะนาบีแล้วอิละฮ์อิลลัลละมุฮัมมัดูดอสูลละสองวรรคนี้ทำาให้เราปลอดภัยจากการทรมานที่สุดแสนอัลฮัมมุดีเลนี่เล่าถึงเรื่องภาพของคนในสวรรค์นะพี่น้องว่าวาฮุมฟีมัชตาฮัอัฟุสุฮุมและ ที่จิตใจของพวกเขาทั้งหลายต้องการ Allah, อัลลอฮอลีดูและเขาทั้งหลายจะเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นคอลิศอะไรนะตลอดกาลทำอยู่ลรือตัวรลงว่าออกมาไหมไม่ออกครับอยู่ในสวนสวรรค์แล้วไม่ออกครับพี่น้องไม่มีไม่มีคว่าตาอีกต่อไปนะครับพี่น้องเอาต่อมาอายาที่หนึ่งรสม لا يحزنهم الفزع الأكبر. لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون. الحمد لله لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاه الم م الملاك هذا يومكم الذي كنتم تعدون الحمد لله بنعم สบายใจครับ لا يحزنهم ฮะจัาานนยะฮูนู่แปลว่าเสียใจฮะจัาานฮะจัาานแปว่าเสียใจไปน้องเราใส่ลาไปไม่ความเสียใจจะไม่เกิดขึ้นกับพวกเขานี่ต้องการจะเล่าว่าคนดีคนมีอีิมานคนรู้จก AH, ัจกอัลลอฮ์รู้จักรอซูนรู้จักอัลกุรอานแล้วก็ปฏิบัติตามสุนนะนบีคทำความดีที่อัลลอฮ์สั่งเวลาตายไปแล้วไปน้อนทันหลายครับ เวลานานครับนี่ไงต่อไปฟาซอความกลัวฟาซาแปลว่าความกลัวอักบัตใหญ่ความกลัวที่ยิ่งใหญ่จะไม่ทำให้เขาต้องเสียใจเห็นมมีปัญหามีความโกลาหลโกรธขึ้นแต่คนเขาเหล่านั้นจะไม่มีความกลัวใดๆทั้งสิน้น ความตื่นตนกอันยิ่งใหญ่จะไม่ทำให้เขาทั้งหลายนั้นเสียใจหรือรันทดใจรอพี่น้องคำว่าฟาซาุลอักบัดเนี่ยความตื่นตนบกอันยิ่งใหญ่นั้นหมายถึงอะไรถ้าไม่อ่านตัฟเซตไม่รู้ท่านอิบนุอับบาสคนนี้เป็นสหายนาบีพี่น้อง เป็นนักอา ธ, าธิบายที่ดีที่สุดท่านอธิบายบอกว่ามาลาอิกะตอนเป่าสังตอนตอนเป่าที่เป่านะพอเป่าปืนไปนอนทั้งหลายนะครับทุกคนฟื้นหมดเลยนะวันนี้ต่างหากที่เราจะเล่าเมื่อมาลาอิกระรู้เปล่ามาลาอิกะที่เป่าสังจะชื่ออะไรนะอิส<ม> <It 's S 2> อะไรอิสรอฟีมะลมาลาอิกะาที่เป่าสังไปนอง การเป่ามีอยู่ครั้งแรกเป่าแล้วตายเรียกหมดเลยเป่าครั้งที่สองฟื้นหมดเลยนี่เป่าครั้งที่สองนี่พี่น้องครับเขาเรียกว่าอัลฟาซาลอาคบัตความวิตกกังวลหรือความตะนกอันยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นตอนเป่าสามครั้งที่สองนองนึกภาพนึกเลยนะพี่น้องนะอลอลพี่ น, อน้องโน่นที่ตายไปแล้ววันนั้นฟื้นหมด นบีเล่าเองเนี่ยพอฟื้นมาเนี่ยรองเท้าไม่ได้ใส่ผ้าไม่ได้นุ่งแก้ผ้ากันหมดเลยเอา้าทันยิงอิชาถามท่านนาบีว่าแล้วก็ไม่จ้องมองกันหรืออันนี้มันภาพดุนยาภาพดุญญนยาใครเดินแก้ผ้าผ่านมาเนีวมองกันหมดเลยอะ่ะแต่ภาพอาคือรอด น, นบีพูดวันนั้นไม่มีใครสนใจใครสนใจตัวเองเป็นห่วงตัวเองเพราะเป็นวันที่ความโนก อันยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นแล้วดังนั้นวันที่มาลายกาเป่าครั้งที่สองเป่าที่เป่าครั้งที่สองที่นายเป็น้องลายฮุนูฮุมคนที่มีศาสนาคนที่มี إ ي م านคนที่มีอัลลอฮ์มีรอซูลมีคุรานนะพี่น้องจะไม่มีความกลัวใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นกับเขาทาัาง้งหลายนึกภาพพี่น้องสบายใจไหมนี่ไง มีาศาสนากันก่อนไปน้องให้ลูกมีาศาสนาเรามีาศาสนาอยู่กับครอบครัวจะมีาศาสนาถือบวชลําบากหนอก็ทนแต่ตอนนี้อากาศดีนะัำในละสบายมากไปน้องเอาต่อมาครับวต at um าตาลกโกหมุลมาเลยอีกอะอัลลอฮฺอักบัดตาตาลกโกแปลว่าต้อนรับภาษาอุดูว่าอิสติกบาลอิสติกบาลแปลว่าอะไรนะต้อนรับ ออย่างเราเน่ยมีแข่งมายืนหน้าบ้านแล้วก็ไปยืนต้อนรับเห็นไหมใครมาต้อนรับตาตาลกอฮุมมาต้อนรับพวกเขาใครครับอัลมาลาอิกะอัลออัลลอฮฺอับาหและมาลาอิกะจะมาพบพวกเขามายืนต้อนรับพวกเขาอัลลอฮฺอัลลับาหพอฟื้นอุลมามะอธิบายอย่างนี้ทัฟซิดอธิบายบอกว่าการต้อนรับมีอยู่สองสองสองช่วง ช่วงหนึ่งเมื่อฟื้นออกมาจากสุสานพอลืมตาขึ้นมาพอโผล่ขึ้นมาจากสุสานมีมารยาการมายืดเพ e ย์สเ o ้ามาเพ e a s สอัศรามาแล้วกูฟ้อนเชิญเชิญเชิญดีใจไหมอัลลอฮฺอักบาร์ละฮัมดุลิลลาห์มีมารยาการมายืนต้อนรับอยู่ปากกูโบปากประตูหลุมฝังศพเราดีได้ไหมดีอัลลอฮฺอักบาร์ละฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ภาพที่สอง มายืนต้อนรับเราที่ปากประตูสวรรค์ p l e a เชิญเลยครับเชิญจากปากประตูหลุงฝังศพกับเชิญที่ประตูจะเข้าสวรรค์เอาล่ะพี่น้องทั้งสองเอาทั้งสองเลยเลยที่กูโบกเอาที่ปากประตูสวรรค์ก็เอามีมาอิกการมายืนต้อนรับอิสติกบาลต้อนรับเชิญเชิญเกินกาแฟสักแก้วก่อนเข้าไหมอ่อาขอบคุลิลล่าผมอ่านภาษาอุลดูทักอุลดูบอกว่า กินอาหารเช้าใต้บาลังอัลลอฮ์ลันช์อาหารกลางวันในสวนสวรรค์อัลล์พอฟื้นขึ้นมาเนี่ยอาหารเช้ากินอาหารเช้าที่ใต้บาลังอัลลอฮ์แล้วก็ไปกินลันช์ดินเนอร์เนี่ยไม่ใช่ดินเนอร์สิอาหารกลางวันนั่นนะลันช์ขี่ไหนในสวนสวรรค์อาหารมื้อแรกก็คือนกทอดฮาหมุลิลลอร์นาะตาตาลกอฮุมูลมาลาอิกะมาลาอิกะมายืนต้อนรับคนที่ ตายที่มีอีมานมีาศาสนาอัลฮุมดเลลลาละยฮซุนูฮุมุลอักบาร์ความตนกความตื่นโนกอันยิ่งใหญ่จะไม่ทำให้เขาทั้งหลายเสียใจวะตาลาคอฮุมุลมาลาอิกะแหละมาลาอิกะจะมาพบผู้เขาแล้วก็มายืนต้อนรับผู้เขาแล้วก็พูดอ่ามัจะยืนรับอย่างเดียวพูดว่างไงนะ ฮาลาวันนี้เยาวมากุมุลละดีเป็นวันที่ท่านทั้งหลายกุนตุมตูออดุลที่ถูกสัญญาไว้ฮาลายาวมุกุมุลละดีกุนตุมตูออดูลมาเลก์กาพูดนะพูดว่าไงนะนี่คือวันของพวกท่านอัลลอฮฺอัลลอฮฺบัดฮาลายาวมุกุม วันนี้เป็นวันของพวกคุณแล้วเมื่อกอนคุณถูกระเบิดอเมริกาตายใช่ไหมวันนี้วันของคุณแล้วฟื้นขึ้นมามาเชิญเชิญเชิญเชิญเชิญเชิญอัลลอฮฺอัลกุบะรีน้องถือบวชล้บางไหมวันนี้เยาเป็นวันของคุณแล้วคุณรู้มึ้งตาฮะมาตาฮะยศเหนื่อยไหมเหนื่อยอ้าวันนี้วันของคุณแล้วคุณอดทนไม่ทําสินะท่านท่านมีผู้หญิงมาล่อคุณอ้าวันนี้เป็นวันของคุณฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมามาๆามาฮาดายามุกุม วันนี้เป็นวันของพวกท่านแล้วกุนตุมอัลลาีกุนตุมตัวอาดนซึ่งพวกท่านได้ถูกสัญญาเอาไว้ฮัมดยเลยี่น้องครับนี่เป็นภาพจริงทั้งหมดไม่ใช่เรื่องเล่าให้หัวเราะไม่ใช่เป็นสัญญาของอัลลอฮ์สุบฮานาหูวะตาคุณอ่านไปเรื่องจริงหมดเลยนะครับน้องอัลลอฮ์พี่น้อ ง, Allah, องภาษาอาหรับอธิบายยังไงนะ Um um um อัลมลาอิกตะกลูละุมตุบเช้รคขเยาวมามาอธิ h าคอยูมินกูบูรี h i อ่ามาลาอิกาจะมายืนต้อนรับตั้งแต่ออกจากสุสานของพวกเขาผู้ที่เป่าสังคือมาลาอิกาชื่ออิสรอฟีนหรืออีกความหมายหนึ่งในตำิซอิมมูเกซีอธิบายว่าเมื่อชาวนรกกับชาวสวรรค์หลังตัดสินแล้วนะอยู่นนรกกันหมดแล้วนะ ในสวรรค์ก็หมดแล้วภาพของชาวนรกกับชาวสวรรค์อัลลอฮฺจะเอาเอาความตา ย, ยมายืนอยู่ระหว่างนรกกับสวรรค์ทุกคนเห็นภาพหมดเลยนี่คือความตายนะชาวนรกเอ๋ยนี่คือความตายนะชาวสวรรค์เอ๋ยนี่คือความตายนะแล้วอัลลอฮฺก็เชื่อดความตายเชื่อดความตายเพื่อจะบอกให้รู้ว่าตั้งแต่วันนี้ไปชาวสวรรค์ ไม่มีคําว่าตาอีกแล้วชาวนารกไม่มีคํำว่าตาอีกแล้วนั่นเขาเรียกว่าอะไรนะอัลฟาซา อ, อุลอาคบเป็นความตนุเป็นความตื่นตนกอันยิ่งใหญ่เป็นความกลัวอันยิ่งใหญ่หลังจากเข้าสวรรค์แล้วนะครับพี่น้องหลังจากเข้านารกแล้วเอลหลอดเชื้อดความตายไม่ให้คนชาวนารกตายอีกต่อไปและชาวสวรรค์ก็ไม่ตายอีกต่อไปอุลมะม้าท่า น, นอธิบาย เอาละท่านจะเชื่ออันหนแต่ผมเชื่ออันแรกนะตอบนาย น, นะวันที่มล า, ายิกาเป่าสังแล้วก็ฟื้นขึ้นมาอาลัลลอฮฺเป็นภาพที่อันตรายที่สุดพี่น้องเรวเห็นมลายิกามายืนตอนรับดีใจไหม อ, อ, อัลลอฮฺอบอุ่นฉันปลอดภัยแล้วเห็นมล า, ายิกามายืนตอนรับอัลฮัมดุ ล, ลิลแล้วพูดว่าไงนะวันนี้เป็นวันของพวกคุณที่อลัลลอฮฺได้สัญญากับพวกคุณไว้ในคัมภีร์กุรอานนะใช่ไหม อ่านทำไปเรือยล้วต้องอ่านพบแล้วน่าจะไปนอนเอาต่อมาอายัสุดท้ายยามานาเปวส์มากะไตรสิจลิลกุตุเบกะมาบเดนะอววัล خلق น وع ิดูว่าดัน علينا อินนักุณน์ฟะอิล a นอ a ลล a ฮุอะลัยฮิวะซัมยาุมะนับอวิสซัมะกาตัยยิสซิจลิลลุตุบบัมะบาดะน้าอัลฮัลควินูไอดุูอัฎัน عليه ูอน علينا อินนักุณนะฟะอิลินอัลลอฮุอะลลอฮอัลลอฮฺแต่ละอายะแต่ละอายะไปน้องอ้าวอายะนี้ต้องการจะอธิบายว่าชั้นฟ้าในวันกิยมามะเน่ยเป็นยังไงนัตวียาวไม่ว่าวันนัตวีเราจะม้วน อ่าเพราะว่ายาตัวีเพราว่าม้วนม้วนกระดาษอะไรเป็นต้นเราม้วนกระดาษก็เรียกว่าน้าตัวีทีนี้อัลลอฮ์เล่าว่านะเรานี่จะม้วนอัสมาชันฟ้าอัลลอลลอฮ์เล่าเองนะฉันจะม้วนชั้นฟ้าเหมือนอะไรกลัควคนอ่านกลัวอ่านจะมึนไม่เข้าใจกับตอยยิสซินลิลกุตุบดังเช่น การม้วนกระดาษที่พวกท่านเขียนง่ายมากไปน้องง่ายจริงๆเราจับกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งแล้วก็มว้วนใช่ไหมง่ายหรือยากสำหรับเราเนี่ยง่ายเอาลอกก็เหมือนกันเล่าให้ฟังนะวันหนึ่งฉันจะเอาชันฟ้าเนี่ยมามว้วนเหมือนท่านม้วนกระดาษนั่นแหละเป็นไงไปน้อง นี่ความยิ่งใหญ่ของอัลลอสุบานะหูบาาลทำไมต้องเล่าเรื่องนี้ในการปีกุรอานให้พี่น้องอ่านเพื่อให้เราได้จำภาพวาวันเกียรมะมีไหมมีจริงครับแล้วเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอัลลอเล่านะพวกท่านเนี่ยเคยเอากระดาษมาม้วนใช่ไหมเคยม้วนทุกวันด้วยสิคนที่อ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยอกระดาษเหมือนเด็กอะอะไรอนะหยิบกระดาษมาแผ่นหนึ่งทาเป็นเครื่องบินทาเป็นอะไรนะ เหนลูกหลานมาเล่นนะพี่น้องผมน่ะซื้อมาริมนึงไม่ไม่กี่วัดหมดแล้วซื้อมาอีกไมกี่วันหมดมันเล่นกันวันละสิบแผ่นที่สิบแผน่นเราก็นั่งนึกนะโอ้เดี๋ยวมันเอากระดาษมาม้วนแต่คัมภีร์กูอ่านอธิบายว่าเราเนี่ยก็ม้วนชันปาเหมือนท่านม้วนกระดาษเหมือนกันทําไมพูดภาพอย่างนี้ให้เราได้จดจำนะพี่น้องลงมาในหัวใจลึกๆโอ้วันเกียร์มากมีจริงไง พรอัลลอฮ์พูดทากุรอานว่าเราจะม้วนชั้นฟ้าเหมือนอะไรครับกับต้อยยิสิดยิลิุติลิุตุเหมือนกับท่านทั้งหลายเอากระดาษมาม้วนกระดาษที่เขียนเนี่ยนะเอามาม้วนเหมือนกันไปเนะาะเอาแล้วก็เราไม่เชื่ออัลลอฮ์จะเชื่อใครไปเนองนี่เล่าให้ฟังนะว่าโลกดุนยาใบนี้ชั้นฟ้าหมดไปเนาะเอาต่อมา กามาบาดานะเอาวัลคัลกินหน่วยดูกามาดังเช่นบาดานะเราได้เราได้บังเกิดเอาวะลขอลกินบ่บเราได้บังเกิดครั้งแรกหน่วยดูแลเราจะกลับให้มันเป็นอีกครั้งหนึ่ง อ, อ๋อครั้งแรกนะเนี่ยอล๋อสร้างโลกมายัางไง อัลลอฮ์ก็จะทําลายมันให้หมดแล้วก็จะสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมตัวรองชื้นฟ้าอันนี้อัลลอฮ์เอามาม้นแล้วก็สร้างชั้นฟ้าใหม่มาอีกวอัลลอฮ์ว่ล้วไม่รู้นี่ไปเนาะอัลลอฮ์เห็นไหมแล้วอัลลอฮ์เล่าว่ายงไงชั้นฟ้าเหมือนกระดาษเห็นไหมเราม้วนกระดาษยังไงอัลลอฮ์ก็ม้วนชั้นฟ้าแบบเดียวกันนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ سبحانه และุทธา ต่อมาครับวาดันอาไลนะอัลลอฮฺอาบดุนี่เป็นคําสัญญาเป็นคํามั่นวาดันแปลว่าคํามั่นสัญญาอะไรนะผูกพันกับพวกเรานี่เล่าให้คนฟังมัใช่เล่าให้แต็กกายฟังเล่าให้คนที่นัาห้าเวลาฟังวาดันอาไลนะเป็นคําสัญญาที่ผูกพันกับเรา ไปน้องจอาอัยะนี้นะเพราะว่าเขียนพิมพ์ก็ได้ขยาแลว้วแปะไว้ข้างขวาอ่านทุกวันเยาวมาณตวิสามอีกเป้ยิสียิลิ ล, ลกุุบนอลัลลอฮฺไิน้องจอ่านแล้วก็นึกชั้นฟ้าใหญ่ขนาดนี้นะอลัลลอจะม้วนหรือม้วนครับเหมือนอไรนะเหมือนเด็กเล่นกระดาษครับอัลฮัม ด, ดุลิลลาฮพไน้องนี่ความยิ่งใหญ่ของ อ, อัลลอพูดทาไม ต้องการจะให้ลงบนในหัวใจว่าวันเกียวมากมีจริงรต่อมาครับอินนากุนนาฟาอิลีนแท้จริงเราเป็นผู้กระทาสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนี่พูดย้ำนะอินนากุนนาฟาอิลีนแท้จริงเราเป็นคนถามมันมนเกิดขึ้นวันนี้มันยังไม่เกิดแต่เกิดไหมเกิดแน่นอนครับอัลฮัมดุลลาฮิแนงพี่นอ้นองคนที่เป็นกาเฟ ไม่เคยอ่านกุณอ่านเลยไม่รู้ให้สุญญ์ก็สุญญ์ไม่ได้ให้บวชก็บวชไม่ได้ให้กล่าวกะริมากะเอาอะไรมาสอนพี่น้องเรื่องจริงทั้งหมดนะเอาสรุปสั้นๆก็คือเล่าเรื่องวันเกียร์มาในอันคัมภีก์คุรานเล่าถึงความโกนและหุนของมันเพื่อให้ผู้อ่านกรุรานได้มีอัตติดาความเชื่อว่า วันเกียรมาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยเล่าเรื่องความโกลาหลเพื่อให้ท่านพี่น้องจดจำไว้ในหัวใจแล้วก็เริ่มทำความดีให้นึกถึงวันสิ้นโลกนึกถึงวันเกียมมาเยอะๆพี่น้องให้นึกถึงวันเกียรมากมากกว่านึกถึงโลกดุญยาอ้าวอาิบาดึงดุญยานิดหนึ่งเมื่อเราสร้างดุญยามาแล้วใช่ไ สร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ฝ้าแผ่นดินกลางวันกลางคืนสร้างคนสร้างสรพรพสิ่งทั้งหลายพอสร้างแล้วอลัลลอฮ์ตีราคาเขาจําได้ไหมตีราคาอย่างไงถ้าหากว่าโลกดุนยาใบนี้มีค่าเท่ากับปีกยุง่งเห็นไหมถ้าโลกดุนยาใบนี้มีค่าเท่ากับปีกยุ่งคนกาเฟตไม่มีโอกาสได้ดื่มน้าแม้แต่อึกเดียวก็ไม่ให้ดื่มแล้วตีกยุง่งพอสร้างเสร็จปีกยุง่ง อัลลอฮฺอักบัตแล้วก็วันเกียมาเล่าหมา่ฉันจะเอาชั้นฟ้านี่มามวนเหมือนท่านทั้งหลายมวนกระดาษและเหลืออะไรกันไปนอมดดุญยาไปนี้เหลืออัลลอฮฺองเดียวไปนอฉะนั้นเรานี่ถูกสร้างมาให้มีาศาสนาอัลฮัมุลิลละฉะนั้นช่วยกันปกป้องาศาสนาของอัลลอดูแลาศาสนาของอัลลอและรักอัลลออยู่ในาศาสนานี้อินชาอัลลอ ยูนัสวาสนาอิอิฟ้ سبحانه แ تعالى س ب ح ا ن اللهم وبحمدك استغفرك ل ا ت و ب إليك وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته